บทที่65วัฒนธรรมพุทธพระครูบุญมีไม่ได้ทำหน้าที่ที่บรรยายให้ความรู้แก่คณะเหมือนเช่นเคยท่านทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าท่านไม่พอใจท่านพระครูที่ทำให้เสียเวลาจึงประท้วงด้วยการเลิกบรรยายหากข้อเท็จจริงนั้นมีภิกษุเพียงสองรูปที่ล่วงรู้คือพระครูบุญมีหนึ่งกับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอีกหนึ่ง รูปแรกนั้นเข้าตำรารู้อยู่แก่ใจส่วนรูปที่สองรู้ได้ด้วยวอรยานรู้ว่าภิกษุวัยสสเลิกบรรยายเพราะหมดภูมิรู้ที่เตรียมมาครั้นจะบรรยายในสิ่งที่ไม่ได้เตรียมมาก็เกรงว่าจะเข้าข่ายมุสาวาดจึงต้องทำทีเป็นไม่พอใจท่านเพื่อที่จะได้ไม่เสียหน้าเมื่อไม่มีการบรรยายผู้โดยสารจึงจับกลุ่มคุยกัน หลวงพ่อแพรซึ่งนั่งติดกับท่านพระครูถามขึ้นว่าเธอขึ้นไปถึงยอดเขาหนั่นหรือครับหลวงพ่อผมคิดว่าพวกเราจะขึ้นไปกันแต่มองหาใครก็ไม่พบนอกจากโยมเนื่องเลยพากันลงมาหลวงพ่อไม่ได้ขึ้นหรอกหรือครับเจ้าอาวาสวัดพิกลทองถูกถามขึ้นเหมือนกันแต่ไม่อยากเปียดกับแขกเลยเดินลงมาตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งทาง คนอื่นๆพอเห็นชั้นลงก็เลยลงตามรวมทั้งพระครูบุญมีด้วยได้ฟังดังนี้ท่านพระครูก็พอคาดคะเนดได้ว่าภิกษุวัยส0ไม่เคยขึ้นไปถึงยอดเขามิฉะนั้นจะต้องกำหนดเวลาในการขึ้นลงได้ถูกต้องสมพานวัดป่ามะม่วงเห็นเป็นโอกาสที่จะแก้ลํำพระครูบุญมีจึงเริ่มแผนการหลวงพ่อครับ กรุณาถามพระครูบุญมีให้ผมหน่อยว่าท่านเคยขึ้นไปถึงยอดเขาหรือไม่ทำไมเธอไม่ถามเองละ่ะถ้าผมถามท่านคงไม่ตอบเพราะกำลังโกรธที่ผมล่าช้าแล้วเธอจะอยากรู้ไปทำไมหลวงพ่อแพรซักผมต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างหลวงพ่อช่วยผมหน่อยนะครับผมไหว้ละ ท่านยกมือไหว้ดังวาจาเอาเธอฉันจะถามให้สมภารวัดพิคุณทองรับคำแล้วหันไปถามพระครูบญมีซึ่งเปลี่ยนที่นั่งจากแถวที่หนึ่งไปนั่งแถวที่สี่เพื่อให้ไกลจากพระครูท่านพระครูเอ่ยขึ้นไปถึงยอดเขาไหมพระครูบนมีคาดไม่ถึงว่าจะถูกถามแบบนี้ครั้นจะตอบว่าไม่เคยก็กลัวจะเสียหน้า จึงย้อนถามว่าหลวงพ่อถามทำไมล่ะครับก็อยากรู้นะสิหลวงพ่อแผดตอบหลวงพ่ออยากรู้หรือว่าคนอื่นอยากรู้กันแน่ถ้าหลวงพ่ออยากรู้ผมจะตอบแต่ถ้าคนอื่นอยากรู้ผมไม่ขอตอบท่านคิดว่าคนที่อยากรู้ต้องเป็นสมภารวัดป่ามะม่วงมิใช่สมภารวัดพิกุลทองแต่อย่างใดเอาเถอะ อย่าเรื่องมากเลยตอบมาคำเดียวว่าเคยหรือไม่เคยหลวงพ่อแพรยื่นคําขาดพระครูบุญมีจึงตอบเสียงอ่อยๆว่าไม่เคยครับท่านพระครูได้ทีจึงพูดขึ้นว่าเมื่อท่านไม่เคยแล้วรู้ได้อย่างไรว่าใช้เวลาขึ้นลงเพียงสองชั่วโมงเวลาท่านให้นะ่ะต่อให้วิ่งขึ้นวิ่งลงก็ไม่พอแล้วอีกอย่างหนึง่ง ผมเป็นบรันรพชิดเหมือนท่านถ้าวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนั้นคนเขาก็ต้องคิดว่าผมเป็นพระบ้าจริงไหมพระครูบุญมีรู้ว่าพลาดท่าเสียทีสมพันธ์วัดป่ามะม่วงแล้วกระนั้นก็ไม่ยอมแพ้จึงเถียงไปข้างๆครูว่าก็ในเมื่อท่านรู้เวลาแค่นั้นไม่พอแล้วทำไมยังเขินขึ้นไปละ่ะท่านทำให้คนอื่นต้องมาเสียเวลาเพราะท่านคนเดียว ไม่ใช่คนเดียวค่ะต้องสองคนหรือถ้าจะพูดให้ถูกต้องพูดว่าหนึ่งรูปกับอีกหนึ่งคนดิฉันก็มีส่วนผิดด้วยอย่าโทษแต่ท่านรครูเลยนะคะอาจารย์เนื่องพูดขึ้นโยไม่ผิดอัตมาก็ไม่ผิดเราทำตามคำสั่งของมกักคุเทศจะผิดได้อย่างไรภิกษุวัยส3พูดกับอุบาสิกาวัยเจ และวจึงพูดกับพระครูบุญมีว่าท่านจำไม่ได้หรือตอนลงจากรถท่านบอกทุกคนว่าพยายามขึ้นไปให้ถึงยอดเขาผมกับโยมเนื่องก็ทำตามคำสั่งของท่านแล้วแทนที่ท่านจะยกย่องกลับมาโกรธเคืองกันทานอย่างนี้ไม่ถูกนะครับที่ผมเตือนพระหวังดีท่านต้องทำหน้าที่มคุเทศต่อไปอีกนานจนกว่าจะเรียนจบการให้ความรู้แก่ผู้อื่น เป็นบุญกุศลที่เรียกว่าธรรมเทศนาใหม่คือบุญสำเร็จได้การสั่งสอนธรรมซึ่งหมายถึงการอบรมสั่งสอนธรรมให้ผู้อื่นได้มีความรู้หรือให้ความรู้แก่ผู้อื่นแต่ถ้าให้ความรู้ไม่ถูกต้องแทนที่จะเป็นบุญกลับเป็นบาปท่านลองพิจารณาดูทีว่าที่ผมพูดมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่ท่านเป็นคนฉลาดเรียนถึงระดับปริญญาเอก เรื่องแค่นี้ผมว่าท่านคงคิดได้ท่านพระครูอธิบายค่อนข้างยืดยาวพระครูบุญมีพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่จะอาวาสวัดป่ามาม่วงพูดมานั้นถูกต้องตามเป็นจริงทุกประการโดยเฉพาะประโยคที่ว่าท่านเป็นคนฉลาดดังนั้นเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นท่านจำเป็นต้องยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น จึงประกาศให้ผู้โดยสารทราบโดยพูดผ่านทางไมโครโฟนว่าพระคุณเจ้าและคณะญาติโยมทั้งหลายผมกำลังทำความเข้าใจกับท่านพระครูไม่ได้ทะเลาะกันนะครับเป็นพระทะเลาะกันไม่ได้อยู่แล้วผมต้องขออภัยที่ให้ข้อมูลผิดคือที่ผมให้ขึ้นไปถึงยอดเขาโดยให้เวลาสองชั่วโมงนั้นท่านพระครูบอกว่าไม่พอ ต่อให้วิ่งขึ้นวิ่งลงก็ไม่ทันเวลาเพราะท่านได้พิสูจน์มาแล้วผมขอสารภาพว่าผมเองก็ยังไม่เคยขึ้นไปจึงไม่ทราบว่าต้องใช้เวลาจริงๆกี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นผมจึงยอมรับผิดทุกกรณีอย่างไรก็ตามผมมีความเชื่อเช่นเดียวกับที่ท่านทั้งหลายว่าท่านพระครูจะทำให้คณะของเราไปถึงที่ประชุมทันเวลาใช่ไหมครับท่านหันมาถามท่านพระครูภิกษุ วัยิยิ้มแทนคำตอบพระมคุเทศจึงสรุปว่าท่านยิ้มแปลว่าท่านรับเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงอยู่ในอาการสงบเพื่อที่ท่านพระครูจะได้ใช้กำลังภายในได้อย่างคร่งตัวทำความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งพระและคารืหัดต่างก็พากันอยู่ในอาการสงบท่านพระครูจําต้องนั่งภาวนาคาถา สหัสเนตโตไปตลอดทางนึกขอบคุณหลวงพ่อเดิมที่ให้คาถาของพระพุทธเจ้าบทนี้มาทำให้ท่านใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้หลายครั้งแล้วรถบัสนำคณะเดินทางมาถึงที่ประชุมเวลาสิบสีนาฬิกาตรงทว่าการประชุมยังไม่ได้เริ่มเนื่องจากสมาชิกยังมาไม่ครบคณะจากประเทศไทยพอมีเวลาเข้าไปทาธุระในห้องสุ ข, ขา ท่านพระครูรู้สึกเหนื่อยด้วยว่าต้องใช้พลังมากกว่าปกติโชคยังดีที่ท่านไม่ได้ปวดเบาระหว่างทางทั้งที่ตอนที่อยู่บนเขานั้นปวดแทบทนไม่ไหวครั้นได้พบสิ่งมหัศจรรย์ในถ้ำทุกขเวทนากลับมาลายหายไปราปฏิหารเพิ่งจะมารู้สึกปวดอีกครั้งหนึ่งก็ตอนมาถึงที่ประชุมแห่งนี้ ประชุมรอบสุดท้ายเริ่มขึ้นเมื่อเวลา14นาิกา10นาทีซึ่งล่าช้ากว่าเวลากำหนด10นาทีพิธีกรชายประกาศให้นายกพุทธสมาคมของแต่ละประเทศขึ้นไปแถลงถึงกิจกรรมต่างๆที่สมาคมของตนจัดขึ้นโดยให้เวลาคนละไม่เกิน10นาทีประเทศที่ไม่มีกิจกรรมที่ต้องแถลงจึงใช้เวลาน้อยกว่านั้น รั้นถึงรอบของประเทศไทยหม่อมเจ้าหญิงพูลพิศสมัยทรงเป็นองค์แถลงพระองค์รับสั่งภาษาอังกฤษคล่องทรงออกเสียงได้ชัดเจนเหมือนอย่างเจ้าของภาษาท่านพระครูต้องฟังด้วยวอรับปัญญาจึงเข้าใจทั้งนี้เพราะท่านไม่สันผัสภา ษ, าษาอังกฤษด้วยเวลาเรียนไปสร้างวิรกรรมแทนเมื่อทรงแถลงเรื่องกิจกรรมของสมาคมจบ หม่อมเจ้าหญิงทรงกล่าวแสดงความชื่นชมประเทศเจ้าภาพที่ได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นและท้ายที่สุดนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานร่วมกับท่านทั้งหลายว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้มาทำงานร่วมกันอีกขอทุกท่านจงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะเสียงปรบมือดังขึ้นองค์นายิกาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย กำลังจะเสด็จลงจากเวทีพิธีกรชายก็ทักท้วงขึ้นว่าอย่าเพิ่งไปครับท่านพูดผิดขอให้พูดเสียใหม่ดิฉันพูดอะไรผิดหรือคะทรงมีรับสั่งถามผิดซิครับท่านเป็นชาวพุทธพูดได้อย่างไรว่าชาติน่ามีจริงหากชาวพุทธไม่มั่นใจว่าชาติน่ามีก็ไม่สมควรเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นผมขอให้ท่านพูดเสียใหม่ มอมเจ้าหญิงจึงตรัสว่าข้าพเจ้าขออาภัยที่พูดผิดจริงดังที่พิธีกรพูดมาคนที่ไม่มั่นใจว่าชาติหน้ามีจริงไม่สมควรเป็นชาวพุทธทั้งนี้เพราะสังสารวัตรมีอยู่ความเพียรพยายามที่จะออกไปจากวงจรแห่งการเวียนว่ายถือเป็นหน้าที่สำคัญของชาวพุทธข้าพเจ้าจึงขอถือโอกาสพูดใหม่ว่าชาติหน้าขอให้เราได้มาร่วมงานกันอีกสวัสดีค่ะ คราวนี้เสียงปรบมือดังขึ้นกว่าเดิมจากนั้นนายกพุทธสมาคมของประเทศออสเตรเลียจึงขึ้นมาถแถลงถึงกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วลำดับสุดท้ายท่านศรัทธาติจสะมหาเทระในฐานะประธานอำนวยการฝ่ายบรรพชิตได้ขึ้นมากล่าวอนุโมทนาและอวยพรให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเดินทางกลับประเทศของตนโดยสวัสดิภาพ เมื่อท่านกล่าวจบเสียงปรบมือก็ดังขึ้นอีกท่านรอจนเสียงเงียบลงแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายโปรดทราบการปรบมือให้พระมิใช่วัฒนธรรมพุทธที่ถูกท่านต้องยกมือขึ้นวันทาและเปล่งวาจาวาสาธุกรุณาทําใหม่อีกครั้งที่ประชุมทำตามและเปล่งวาจาวาสาทุดังก้องท่านศรัท ธ, ธาติดส่ยิม้ม และเดินลงจากเวทีมาหาท่านพระครูผมจะไปส่งท่านที่สนามบินอย่าลำบากเลยครับหลวงพ่อผมมากันหลายคนและมีพระมกุฏเทศคอยดูแลถึงห้ารูปหลวงพ่อเหนื่อยมาหลายวันนิมนต์พักผ่อนเถอะครับสมภารวัดป่ามะม่วงพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรนาะเหนื่อยกายพักผ่อนเดียวๆก็หายแต่ใจผมไม่เหนื่อยนะ ใจผมสบายจะเรียกว่าเหนื่อยกายสบายใจก็ได้พระพุทธศาสนาของเราลึกซึ้งกว่าศาสนาอื่นตรงที่สอนเรื่องจิตใจด้วยผมหมายความว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนละชั่วทำดีแต่พระพุทธศาสนาสอนเรื่องทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยตรงนี้แหละที่ผมมองว่าลึกซึ้งกว่านั่นเพราะพระพุทธศาสนา ให้ความสำคัญกับใจมากกว่ากายนะครับอย่างที่สอนว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่คนทุกวันนี้เขากลับให้กายเป็นนายจิตเป็นบ่าวทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขทางกายบางครั้งถึงกับละเมิดศีลละธรรมก็เลยสุขกายแต่ไม่สบายใจจิตใจเป็นเรื่องของปัญญาพระพุทธศาสนาลึกซึ้งมากที่สอนเรื่องปัญญาด้วย ขณะที่ศาสนาอื่นๆสอนเฉพาะศีลกับสมาธิการสอนให้ละชั่วก็คือเรื่องศีลทำดีคือสมาธิแต่พระพุทธศาสนาเลยไปอีกขั้นหนึ่งคือสอนเรื่องทำจิตให้ผ่องใสซึ่งก็คือปัญญาตัวปัญญานี้สำคัญมากแม้บุคคลมีศีลบริบูรณ์จเจริญสมาธิได้ถึงขั้นสูงสุดแต่ถ้าไม่ก้าวขึ้นไปถึงขั้นปัญญาแล้ว ก็ไม่อาจบรรลุจุดหมายคือพระนิพพานได้นี่เราจะยืนคุยกันอยู่อย่างนี้หรือผมว่าไปคุยกันบนรถดีกว่าท่านศรัทธาติดสะเสนอตกลงหลวงพ่อจะไปส่งพวกเราจริงๆหรือครับท่านพระครูถามไปสิ เวลาผมไปเมืองไทยท่านมาส่งผมบ้างนะท่านศรัท ธ, ธาติดสะพูดยิ้มยิ้มถ้าเช่นนั้นก็นิมนต์ไปที่รถเลยครับท่านพระครูนิมนต์เมื่อท่านเดินทางถึงรถปรากฏว่าสมาชิกขึ้นไปรออยู่แล้วนายรัตนะโคตะเสนาตามมาส่งด้วยเมื่อเห็นท่านพระครูเขาเข้ามากราบเรียนว่า ผมจะไปส่งพระคุณเจ้าที่สนามบินนิมนต์ขึ้นรถผมครับท่านพระครูจึงนิมนต์หลวงพ่อแพรมานั่งรถนายรัตนะจากนั้นคณะที่มาจากเมืองไทยก็เดินทางไปยังสนามบินขณะนั่งมาในรถท่านศรัทธาติดสา ก, กับนายรัตนะได้ชวนท่านพระครูสนทนาด้วยรู้สึกถูกชะตากับภิกษุชาวไทยรูปนี้นักหลวงพ่อแพร ฟังไม่รู้เรื่องจึงเกิดความรู้สึกอึดอัดท่านพระครูเข้าใจในความรู้สึกของภิกษุอาวุโสจึงแปลให้ท่านฟังเป็นระยะระยะเรื่องใดที่ไม่ต้องการให้ท่านทราบก็จะไม่แปลมาศีลังกากครั้งนี้ท่านประทับใจเรื่องอะไรมากที่สุดท่านศรัทธาติดสัถามท่านพระครูสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องความมีน้ำใจของคนที่นี่ โดยเฉพาะโยมรัตนะผมทั้งประทับใจทั้งรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณโยมเข้ามากท่านพระครูตอบเป็นคำตอบที่ออกมาจากใจจริงประทับใจที่เขาขับรถมาส่งนะรึผมว่าเหตุผลแค่นี้ไม่พอหรอกนะท่านศรัทธาติดสะแยงไม่แค่นี้หรอกครับหลวงพ่อผมไม่ได้ประทับใจโยมรัตนะด้วยเหตุผลที่ขับรถมาส่ง แต่ผมประทับใจที่ช่วยเหลือผมในขณะที่ผมกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตผมจะไม่ลืมบุญคุณเขาเลยปัญหาอะไรหรือท่านมีปัญหาอะไรเจ้าอววาดวัดป่ามะม่วงจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าสวนสัตว์ให้ท่านฟังและแปลให้หลวงพ่อแพรฟังด้วยเล่าจบจึงสรุปว่าบุญคุณที่ยอมรัตนะมีต่อผมในครั้งนี้ ผมจะจดจำไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่อย่าคิดว่าเป็นบุญคุณอะไรเลยครับผมสิอีกที่คิดว่าตัวเองมีบุญที่ได้พบพระภิกษุผู้ทรงคุณอันประเสริฐเช่นท่านนายรัตนาพูดอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนนอกจากเรื่องนี้แล้วท่านประทับใจเรื่องอะไรอีกท่านศรัทธาติดสะยังคนอยากรู้ความจริงผมประทับใจทุกเรื่องครับหลวงพ่อ ก่อนมาผมได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้หประการและผมก็บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหประการนั้นอย่างครบถ้วนมีอะไรบ้างบอกได้ไหมเป็นความลับหรือเปล่าสําหรับหลวงพ่อไม่เป็นความลับครับแต่สําหรับหลวงพ่อที่มากับผมผมตั้งใจว่าจะไม่ให้ท่านทราบเรื่องหนึ่งงั้นก็เล่าได้เลยเสร็จแล้วก็เว้นไว้เรื่องเดียวไม่ต้องแปลให้ท่านฟังตกลง กันดังนี้แล้วท่านพระครูจึงเล่าว่าผมได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการมาสีลังกาไว้ห้าประการคือ 1. ขอให้ได้นมัสการพระทันท่าทัซึ่งคนไทยเรียกว่าพระเกียวแก้ว 2. ขอให้ได้นมัสการต้นพระศรีมห ah าโพธิ์ขอให้ได้พบนารีผล 4. ขอให้ได้ไปดูหมู่บ้านชนเผ่าไทยในสีลังกาและห้า ขอให้ได้ไปดูหน้าตาของพวกทมินหินนาชาตที่ฆ่าพระเนนตายเพราะต้องการทำลายล้างพระพุทธศาสนาให้หมดไปจากสีลังกาผมได้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งห้าประการแล้วด้วยความประทับใจอย่างยิ่งผมอยากทราบประการที่สมกับสท่านขยายความได้ไหมผมก็อยากทราบครับในรัตนเสนอบ้าง ถ้าหลวงพ่อสัญญาว่าจะไม่ไปหมู่บ้านนั้นผมก็จะเล่าถวายที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะพวกเขาไม่อยากติดต่อกับคนภายนอกหากผมมีโอกาสมาที่นี่อีกผมจะพาหลวงพ่อไปดูส่วนเรื่องนารีผลผมไม่ถือว่าเป็นความลับหลวงพ่อจะเล่าให้ใครฟังก็ได้ตกลงผมให้สัญญาท่านศรัทธาติดสะรับคําเป็นมั่นเหมาะผมให้สัญญาครับ ในรัตนากราบเรียนด้วยกระหายอยากฟังเรื่องที่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน